นับแต่วันนั้นมายิ่งกลัวและระวังท่านมากขึ้นแม้แต่ก่อนก็เชื่อท่านว่ารู้จิตใจคนอย่างเต็มใจไม่มีทางสงสัยอยู่แล้วยิ่งมาโดนเข้าขืนนั้นก็ยิ่งเชื่อยิ่งกลัวท่านมากจนพูดไม่ถูกนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาท่านสร้างหลักใจได้อย่างมั่นคงและเจริญยิ่งขึ้นโดยลําดับไม่มีเสื่อมถอยเลยท่านอาจารย์มั่นคอจีใจเราอยู่เสมอเผลอตัวไม่ได้เป็นโดนท่านดุทันทีและดุเร็วยิ่งกว่าแต่ก่อนการที่ ท่านช่วยจี้ช่วยเทือนเรื่อยมานั้นความจริงท่านช่วยรักษาจิตรักษาทําให้เราโกลจะเสื่อมไปเสียนับแต่นั้นมาก็ได้จำภาษากับท่านเรื่อยมาพอออกพรษาแล้วก็ อ, ออกเที่ยวบำเพ็ญในที่ต่างๆที่เห็นว่าสะดวกแก่ความเพียรท่านอาจารย์เองก็ไปอีกทางหนึ่งโดยลําพังท่านไม่ชอบให้พระติดตามต่างองค์ต่างแยกกันไปตามอัธยาศัยเมื่อเกิดข้อของใจค่อยไปเรียนถามเพื่อท่านจี้แจงแก้ไขให้เป็นพระพักไป ความเพียรทางใจท่านอาจารย์องค์นี้นับปันเจริญก้าวนาสติปัญญาค่อยแต่ขแขนงออกไปโดยสม่ำเสมอจนกลมคลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจอิริยาบทต่างๆเป็นอยู่ด้วยความเพียรมีสติกับปัญญาเป็นเพื่อนสองในการประกอบความเพียรจิตใจรู้สึกอาถารพชานชัยไม่หวั่นเกรงต่ออารมณ์ที่เคยเป็นข้าศึกและแน่ใจต่อทางพุทุก์ไม่สงสัยแม้ยังไม่หลุดพ้นเย็นวันหนึ่งเมื่อปัดกวาดเสร็จท่านออกจากที่พักไปส่งน้ํา ได้เห็นข้าวในไร่าชาวเขากำลังสุกเหลืองอารามทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาในขณะนั้นว่าข้าวมันงอกขึ้นมาเพราะมีอะไรเป็นเชื้อพาให้เกิดใจที่พาให้เกิดตายอยู่ไม่หยุดก็น่าจะมีอะไรเป็นเชื้ออยู่ภายในเช่นเดียวกับมเมล็ดข้าวเชื้อนั้นทาไมถูกทำลายเสียที่ใจให้สิ้นไปจะต้องพาให้เกิดตายอยู่ไม่หยุดก็อะไรเป็นเชื้อของใจเล่าถ้าไม่ใช่กิเลสอวิชชาตัญหาอุปาทาน คิดทบทวนไปมาโดยถืออวิชชาเป็นเป้าหมายแห่งการวิพากษ์วิจารณ์พิจารณาย้อนหน้าถอยหลังอนุโลมปฏิโลมด้วยความสนใจอยากรู้ตัวจริงแห่งอวิชชานับแต่หัวขําจนดึกไม่ลดละการพิจารณาระหว่างอาวิชากับใจจวนสว่างจึงตัดสินใจการลงได้ด้วยปัญญาอาวิชชาขาดกระเด็นออกจากใจไม่มีอะไรเหลือการพิจารณาข้าวความยุติการที่ข้าวสุขหมดการงอกอีกต่อไป การพิจารณาจิตก็มยุติกันที่อวิชชาดับกลายเป็นจิตสุขขึ้นมาเช่นเดียวกับข้าวสุขจิตหมดการก่อกำเนิดเกิดในพบต่างๆอย่างประจักษ์ใจสิ่งที่เหลือให้ชมอย่างสมใจคือความบริสุทธิ์แห่งจิตล้วนๆในกระท่อมกลางเขามีชาวป่าเป็นผู้อุปถักดูแลขณะที่จิตผ่านลงหน้าป่ากิเลสวาดไปได้แล้วเกิดความอัศจรรย์อยู่คนเดียวตอนสว่างพระอาทิตย์ก็เริ่มสว่างบนฟ้า ใจก็เริ่มสว่างจากอาวิชชาขึ้นสู่ธรรมอัศจรรย์ถึงวิมุตต์หลุดพ้นในเวลาเดียวกันกับพระอาทิตย์อุไทยช่างเป็นเลิกงามยามวิเศษเอาเสียจริงๆพอเลิกงามยามมหาอุดมมงคลผ่านไปแล้วก็ได้เวลาออกบินธบาตท่านเริ่มออกจากที่มหามงคลมองดูกระท่อมเล็กที่ให้ความสุขความอัศจรรย์และมองดูทิศทางต่างๆขณะนั้นปรากฏอะไรอะไรก็กลายเป็นมหาอุดมมงคลไปกับใจดวงอัศจรรย์โดยสิ้นเชิง ทางที่สิ่งทั้งหลายก็เป็นอยู่โดยธรรมดาของตนของตนนั่นแหละขณะไปบินทบาทใจก็อิ่มทรมองเห็นชาวป่าชาวเขาที่เคยอุปถักดูแลท่านมาเรากับเป็นชาวฟ้ามาจากบนสวรรค์กันทั้งสิน้นจิตระลึกถึงบุญถึงคุณที่เขาเคยมีแก่ตนอย่างเหลือล้นพนที่จะพรรณนาคุณให้จบสิ้นลงได้เกิดความเมตตาสงสารชาวป่าแดนสวรรค์เป็นประมาณอด ท, ที่จะแผ่มเมตตาจิตอุทิศกุศลแก่ขามิได้ ตลอดสายทางที่ผ่านมาจนถึงบริเวณที่พักอันแสนสําราญขณะจัดอาหารทิพย์ของชาวเขาลงในบาตใจก็อิ่มธรรมไม่คิดสัมผัสกับอาหารที่เคยดํารงและให้ความผาสุกแก่อัตภาพมาแตอย่างใดแต่ก็ฉันไปตามธรรมเนียมที่ท่าตกับอาหารเคยอาศัยกันมาทราเหล่าว่านับแต่วันเกิดมาก็เพิงไว้เห็นชีวิตธาตุขันกับจิตใจปลองดองสดชื่นต่อการเหลือจะพรนานาให้ถูกต้องกับความจริงได้ในเช้าวันนั้นเอง เป็นความอัศจรรย์และพิเศษผิดคาดผิดหมายและกลายเป็นประวัติสำคัญของชีวิตอย่างประทับใจตลอดมานับแต่ขณะโลกธาตุไหวฟ้าดินถลมวัตจักภายในจิตจมหายไปแล้วธาตุขันและจิตใจทุกส่วนต่างอันต่างเป็นอิสระไปตามธรรมชาติของตนไม่ถูกจับจองกดทวงจากฝ่ายใดอินสีห้าอายุนะหทํางานตามหน้าที่ของตนจนกว่าธาตุขันจะหาไม่ โดยไม่มีการทะเลาะอีกว่ากระทบกระทืนกันดังที่เคยเป็นมาวงเล็บเปิดการทะเลาะท่านหมายถึงความไม่ลงรอยระหว่างสิ่งภายในกับภายนอกสัมผัสกันทำให้เกิดความยินดียินร้ายกลายเป็นความสุขทุกข์ขึ้นมาและเกี่ยวโยงกันไปเหมือนลูกโซ่ไม่มีเวลาจบสิ้นลงได้วงเล็บปิดคดีต่างๆภายในจิตที่มีมากและอุ่นวายยิ่งกว่าคดีใดๆในโลกได้ยุติลงอย่างราบคาบ นับแต่คณะสารสถิตยุติธรรมได้สร้างขึ้นภายในใจโดยสมบูรณ์แล้วเรื่องก่อกวรลวนลามต่างๆไม่มีประมาณซึ่งเคยยึดิจิตเป็นสนามเต้นรำและทะเลวิวาดบาดหมางไม่มีเวลาสงบลงได้เพราะอาวิชาตัญหาเป็นหัวหน้าบงการบัญชางานให้กลาหุนวุ่นวายร้อยแปดพันประการนั้นได้สงบลงอย่างราบเรื่อนชื่นใจกลายเป็นโลกร้างว่างเปลาา่าภายในจิตที่ผลิตวิชาธรรมอันบรวรขึ้นสวยเมืองจิตตราชแทนอธรรม กินนอกการภายในได้เป็นไปโดยธรรมความสม่ำเสมอไม่มีอริฆ50ศัตรู ม, มาก่อกวนวุ่นวายตาเห็นหูได้ยินจมูกดมกลิ่นลิ้นริมรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจรับทราบอารมณ์ต่างๆเป็นไปโดยธรรมชาติไม่อาจเอื้อมปีนเกลียวยุ่ยแย่แปรรูปคดีให้ผิดเป็นถูกผูกเป็นแก้แย่เป็นดีผีเป็นคนพระเป็นเปรตเปรตกลับเป็นคนดีดังที่เจ้าอธรรมมีอำนาจบัญชา ง, งานมาแต่เก่าก่อน นั่งอยู่สบายแม้เป็นหรือตายก็มีความสุขนี่คือท่านผู้นิรทุกขเนิรภัยแท้ปราศจากเครื่องร้อยรัดโดยประการทั้งปวงซึ่งเป็นคำที่ท่านอุทานในใจท่านเวลานั้นท่านอาจารย์องค์นี้ก็เป็นอีกองค์หนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มันซึ่งเปลืงทุกสิ้นภัยออกจากใจได้ที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านลาว่าสถานที่บําเพ็ญจนถึงความสิ้นทุกภายในก็ดีกระท่อมกุฎีเล็กๆพอหมกตัวทาความเพียรและพักผ่อนคลายก็ดี สถานที่เดินจงกรมก็ดีสถานที่นัง่งสมาธิภาวนานในกลางวันและกลางคืนก็ดีหมู่บ้านเป็นที่โคจรบินทบาดพอยังอัตภาพให้เป็นไปในละแวกนั้นก็ดีรู้สึกเป็นที่ทราบซึ่งประทับใจผิดที่ทั้งหลายยางบอกไม่ถูกและฝังใจตลอดมาจนทุกวันนี้มิได้จืดจางลางเลือนไปเลยนับแต่ขณะที่วัฏจักรได้ถูกกว่ำลงจากใจเพราะความเพียรสังหารแล้วสถานที่นั้น ได้กลายเป็นที่บรมสุขในอิริยาบถ ท, ทั้งหลายตลอดมาเราได้เข้าเฝ้าพระาศาสดาในสถานที่ตลัสลูและที่ทรงบำเพ็ญเพียรในที่ต่างๆโดยตลอดทั่วถึงฉะนั้นหายสงสัยในพระพุทธเจ้าแม้ทรงพรินิพานไปนานตามการของสมมติประหนึ่งประทับอยู่บนดวงใจเราทุกขณะไม่ได้ทรงจากไปตามการแห่งปริริพานเลยหายสงสัยในพระธรรมว่า มากน้อยลึกตื้นยาาละเอียดที่ประธานไว้แก่มวลสัตว์ปรากฏว่าพระธรรมเหล่านั้นสถิตยอยู่ในใจดวงเดียวและใจดวงเดียวบรรจุธรรมไว้อย่างพร้อมมูลไม่มีอะไรบกพร่องหายสงสัยในพระสงฆ์สาวกองค์สุปฏิปันโนผู้บริสุทธิ์ทางสามรัตนนี้ได้เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในใจมีความเป็นอยู่ด้วยพุทธธรรมและสังฆะองค์บริสุทธิ์รวมกันเป็นธรรมแท่งเดียว มีความสบายหายห่วงมาแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาไม่มีเครื่องกดทงลงใจอยู่ในอิริยาบถใดก็เป็นตัวของตัวไปตามอิริยาบถนั้นๆไม่มีสิ่งกดขี่หรือแอบแสกขอแบงกินแบ่งใช้เหมือนแต่ก่อนที่อยู่กับนักขอทานโดยไม่รู้สึกตัวเดี๋ยวขอนั่นเดี๋ยวขอนี้อยู่ทุกอิริยาบถคำว่าขอนั่นขอนี่นั้นท่านหมายถึงกิเลส ต, ตัวบกพร่องขาดแคลนไม่มีเวลาอิ่มพอป ร, ระจำนิสัยของมัน เมื่อมีอำนาจตั้งบานเรือนบนหัวใจคุณะศาตว์แล้วจึงต้องทําการบังคับหรือขออยู่ไม่ถอยซึ่งเป็นงานประจํานิสัยของมันโดยขอให้คิดอย่างนั้นขอให้พูดอย่างนี้ขอให้ทําอย่างโ น, น้นตามอํานาจของมันอยู่ไม่หยุดถ้าไม่มีทําไว้ปิดกั้นความรั่วไหลจากการบังคับและการขอเอาอย่างดื้อด้านของเหล่ากิเลสจึงมักแบ่งหรือเสียให้มันเอาไปกินจนหมดตัว ไม่มีความดีติดตัวพอเป็นเครื่องสืบพบต่อชาติเป็นคนดีมีสิน ร, รมต่อไปได้เกิดพบใดชาติใดก็ล้วนแต่เกิดผิดที่ผิดฐานไม่มีความสําราญบานใจได้บ้างพอควรแก่พบกําเนิดที่อุตสาห์เกิดกับเขาทั้งชาติที่ท่านเรียกว่าขาดทั้งทนศูนทั้งดอกนั้นก็คือผู้ประมาทนอนใจแบ่งให้แต่กิเลตเป็นเจ้าบ้านครองหิตใจไม่มีการป้องกัน ฝ, ฝ, ฝ่าฝืนมันบ้างเลยมันจึงบังคับเอาแบ่งเอาจนไม่มีอะไร เหลือต <necessary. S 2> so no, ิดตัวดังกล่าวแล้วท่านผู้หมดหนี้สินความพรุงพลังทางใจแล้วจึงอยู่เป็นสุขทุกทุกอิรยาบทในขันที่กำลังครองตัวอยู่เมื่อถึงเวลาแล้วก็ปล่อยวางภาระในขันเหลือแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเป็นสมบัติทั้งดวงนั่นแลคือความสิ้นทุกโดยสิ้นเชิงตลอดการซึ่งเป็นความสิ้นอย่างอัศจรรย์และเป็นการอันมีคุณค่ามหาศาลไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนในไตรภพ ผิดกับความเป็นของสมมติทั้งหลายที่ต่างปรารถนาความเกิดเป็นส่วนมากและออกหน้าออกตาไม่ได้สนใจในทุกข์ที่จะติดตามมาพร้อมกับความเกิดนั้นนั้นบ้างเลยความจริงการเกิดกับความทุกข์นั้นแยกกันไม่ออกแม้ไม่มากกว่าจำต้องมีจนได้นักปรารถนท่านจึงกลัวความเกิดมากกว่าความตายติดกับพวกเราที่กลัวความตายซึ่งเป็นผลมากกว่ากลัวความเกิดที่เป็นต้นเหตุอันเป็นความกลัวที่ฝืนคติธรรมดาอยู่มาก ทางนี้พระไม่สนใจติดตามร่องรอยแห่งความจริงจึงฝืนและเป็นทุกข์กันอยู่ตลอดมาถ้าปลาท่านมีกิเลสประเภทพาคนให้หัวเราะเยาะกันแล้วท่านคงอดไม่ได้อาดรอยออกมาอย่างเต็มที่สมใจท่านที่ได้เห็นคนแทบทั่วโลกต่างหน้าต่างตาฝืนความจริงกันอย่างไม่มองหน้ามองหลังเพื่อหาหลักฐานความจริงกันบ้างเลยแต่ท่านเป็นปราสมชื่อสมนามจึงไม่ได้ทาแบบโลกโลกที่ทากัน นอกจากท่านเมตตาสงสารและช่วยอนุเคราะห์สั่งสอนส่วนที่สุดวิสัยก็ปล่อยไปด้วยความหมดหวังจะช่วยได้ท่านอาจารย์องค์นี้เป็นผู้ผ่านพ้นภัยพิบัติสารพัดที่เคยมีในสงสารบัดนี้ท่านถึงสอปปาทิเศ ส, สนิพานในสถานที่มีนามว่าโรงขอดแห่งอำเภอเพลาาจังหวัดเชียงใหม่ในราวพรรษาที่16หรือ17ผู้เขียนจาไม่ถนัดจาได้แต่เป็นฤดูเริ่มเก็บเกี่ยว ตอนออกภรษาแล้วใหม่ๆท่านเล่าให้ฟังอย่างถึงใจในเวลาสนทนาธรรมกันซึ่งเริ่มแต่สองทุ่มถึงหกทุ่มเศษไม่มีใครมาเกี่ยวข้องรบกวนให้เสียเวลาในขณะนั้นการสนทนาธรรมจึงเป็นไปด้วยความรา่าเร่นทั้งสองฝ่ายจนถึงจุดสุดท้ายแห่งธรรมจึงเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติโดยเริ่มสนทนาแต่ต้นจากแม่กอไก่กอ ก, กาสระอสระอ า, ะอาคือการฝึกหัด ขั้นเริ่มแรกที่พระเขาไปด้วยทั้งความร่มลุกคลุกคานทั้งความร่วงความเหลวทั้งความดีความเลวสับปนกันไปทั้งความดีใจเสียใจอันเป็นผลมาจากความเป็นรูปลุ่มดอนรอนของการปฏิบัติที่เพิ่งฝึกหัดในเบื้องตน้นจนถึงสุดท้ายปลายแดนแห่งจิตแห่งธรรมของแต่ละฝ่ายผลแห่งการสนทนาจากท่านเป็นที่พอใจอย่างยิ่งเมื่อได้โอกาสจึงได้อราราธนานำลงในปฏิปทาของพระธุดงค์กรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่น เพื่อท่านผู้อ่านที่สนใจใครท่ทมจะได้นำมาพิจารณาไตรตรองและคัดเลือกเอาเท่าที่ควรแก่จริตนิสัยของตนของตนผลอันทึงหวังจากการเลือกเฟ้นคงเป็นความราบรื่นดีงามตามความพยายามของแต่ละท่านเพราะพระอาจารย์องค์นี้ท่านเป็นพระที่พร้อมจะยังประโยชน์ให้เกิดแก่โลกผู้เขาไปเกี่ยวข้องอยู่เสมอไม่มีความบกพร่องทั้งมารยาทการแสดงออกทางอาการ ทั้งความรู้ทางภายในที่ฝังเพชรน้ำหนึ่งไว้อย่างลึกลับยากจะคนพบได้อย่างง่ายได้ถ้าไม่รอดตายก็ไม่อาจรู้ได้เฉพาะ อ, องค์ท่านผู้เขียนรอบขโมยถวายนามท่านว่าเพชรน้ำหนึ่งในวงกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นมาเกือบ30ปีแล้วโดยไม่กระดากอายคนจะหาว่าบาเลยเพราะเกิดจากศรัทธาของตัวเองเวลานี้ท่านยังมีชีวิตอยู่และให้ความเมตตาโอปนแกรพระเนเจนจานวนมาก ตลอดประชาชนในภาคต่างๆแห่งประเทศไทยพากันไปกราบไหว้บูชาฟังการอบรมกับท่านเสมอมิได้ขาดทางวัดเห็นความลำบากในองค์ท่านเพราะเข้าวัยชาราแล้วจําต้องจัดให้มีการเวลาที่ควรเข้ากราบเยี่ยมรับการอบรมและเวลาพักผ่อนพอสมควรเพื่อทําประโยชน์แก่โลกไปนานไม่หักขาดสับันลงในระหว่างที่อายุยังไม่ถึงการที่ควรจะเป็นโดยมาก การต้อนรับขับสู้กันระหว่างพระผู้เป็นครูอาจารย์กับประชาชนจานวนมากที่มาจากที่ต่างๆประกอบนานาจิตตางด้วยแล้วพระอาจารย์องค์นั้นๆมักจะเป็นฝ่ายบอบช้ำอยู่เสมอทุกเวลานาทีที่มีพูกไปเกี่ยวข้องซึ่งส่วนมากก็หวังให้ได้อย่างใจของตัวไม่คำนึงถึงความลำบากและหน้าที่การงานของท่านที่ทาประจาวันเวลาบ้างเลยจึงมักถูกรบกวนยิ่งกว่าน้ำบึงน้บ่อเสอีกหากไม่สมใจหวังบ้าง พอทำให้เกิดความคุณโมะภายในว่าท่านรังเกียจถือตัวไม่ให้การต้อนรับขับสู้สงกับเพศที่บวชมาเพื่อชําระกิเลสประเภทถือตัวและขัดใจคนนอกจากนั้นก็ตั้งคอรังเกียจขึ้นภายในและระบายออกในที่ต่างๆอันเป็นทางให้เกิดความเสื่อมเสียตามตามกันมาไม่มีสิ้นสุดพระที่คนเคารพเลื่อมใสและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนก็อาจกลายเป็นพระที่มีคดีติดตัวโดยไม่มีสารใดกล้าตัดสินลงได้ความจริง พระบวชมาก um ็เพื่อทําประโยชน์แก่ตนและแก่โลกเต็มความสามารถไม่นิ่งนอนใจเวลาหนึ่งทำงานอย่างหนึ่งอีกเวลาหนึ่งทำงานอย่างหนึ่งไม่ค่อยมีเวลาว่างในวันคืนหนึ่งหนึ่งทั้งจะเจดเวลาไว้สําหรับโลกทั้งจะเจดไว้สําหรับพระเนในปกครองและทั่วไปที่มาเกี่ยวข้องทั้งจะเจดไว้สําหรับธาตุขันและจิตใจให้จีรังไปนานเพื่อทําประโยชน์แก่โลกสืบไปวันคืนหนึ่งหนึ่ง กายกับใจหมุนตัวเป็นกงจักรไม่มีเวลาพักผ่อนย่อนกายย่อนใจบ้างเลยคิดดูแล้วแม้แต่เครื่องใช้สอยต่างๆเช่นรถยนต์เป็นต้นยังมีเวลาพักเครื่องหรือเข้าโรงซ่อมแก้ไขส่วนบกพร่องให้สมบูรณ์เพื่อทําประโยชน์ต่อไปไม่เช่นนั้นก็จีบหายปลายไปในไม่ช้าพระก็ไม่ใช่พระอิฐ พ, พระปูนที่ต้องถูกโยนขึ้นบนตึกนั้นร้านนี้เพื่อการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆ แต่นายช่างเห็นสมควรจะโยนขึ้นณที่แห่งใดเมื่อเป็นเช่นนี้จำต้องมีเมื่อยหิวอ่อนเพลียและมีการพักผ่อนยอนพระที่ตึงเครียดมาตลอดเวลาพอได้มีเวลาเบากายสบายจิตบ้างโดยมากญาติโยมเข้าหาพระมักจะนำนิสัยและอารมณ์ตามชอบใจเข้าไปทับถมรอบกวนพระให้ท่านอนุโลมทำตามโดยไม่ได้คิดคำนึงว่าผิดหรือถูกประการใดเพราะนิสัยเดิม มิได้เคยสนใจในเหตุผลผิดถูกดีชั่วเท่าที่ควรมาก่อนเมื่อเกิดความต้องการประสงค์ในแง่ใดและจะให้ท่านช่วยเหลือในแง่ใดจึงไม่ค่อยคิดนึกว่าพระกับครวาตมีจารีตประเพณีต่างกันคือพระท่านมีหลักธรรมวินัยเป็นเครื่องประพฤติดำเนินจารีตประเพณีของพระก็คือพระธรรมวินัยเป็นเครื่องแสดงออกซึ่งจำต้องคำนึงความผิดถูกชั่วดีอยู่ตลอดเวลา ว่าสิ่งนี้ควรหรือไม่ควรเป็นต้นส่วนคารวาสไม่ค่อยมีธรรมวินัยประจําตัวเป็นหลักปฏิบัติโดยมากจึงมักถือความชอบเป็นความประพฤติเมื่อนําเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระฝ่ายพระจึงมักถูกรบกวนและทําลายโดยไม่มีเจตนาหรือถูกทําลายทางอ้อมอยู่เสมอเช่นไปขอให้ท่านบอกเบอร์ซึ่งเป็นการขัดต่อพระธรรมวินัยของพระไปขอให้ท่านทําเสน่ห์ยาแฝดอันเป็นการทําให้หญิงกับชายรักชอบกัน ไปขอให้ท่านบอกเลิกงามยามดีเพื่อโช็อกโกแลตร่ำรวยหรือเพื่ออะไรร้อยแปดพันาไม่จบให้ท่านดูดวงชะตาราศีทำนายทายทักให้ท่านบอกคาถาอาคมเพื่ อ, อยูยงคงกระพันชาตรียิงฟันไม่ออกแทงไม่เข้าทุบตีไม่แตกไปขอให้ท่านรดน้ํำมนเพื่อสะเดาะเคราะห์เข็นเวรภัยร้ายดีต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นการขัดต่อจารีตประเพณีคือพระธรรมวินัยของพระที่จะอนุโลมได้ ยิ่งครูอาจารย์ที่ประชาชนเคารพนับถือก็ยิ่งได้รับความกระทบกระเทือนด้วยเรื่องดังกล่าวและเรื่องอื่นๆในจำนอนเดียวกันมากมายจนไม่อาจพนันาได้ในวันหนึ่งๆเฉพาะพระทูลองที่ท่านมุ่งอัดมุ่งท ร, ร ม, มุ่งความหลุดพ้นในสายท่านอาจารย์มั่นท่านไม่ได้สนใจกับสิ่งพันนี้ท่านถือว่าเป็นค่าศึกต่อการดำเนินโดยชอบธรรมและเป็นการส่งเสริมคนให้หลงผิดมากขึ้น นักเข้าอาจเป็นการทําลายพระและพระาศาสนาอย่างออกหน้าออกตาก็าได้เช่นเขาให้นามว่าพระบัตรพระเบอร์าศาสนาบัตรเบอร์พระสเสนียาแฝดศาสนาเสนียาแฝดเป็นต้นซึ่งทําให้พระและาศาสนาโมงมองและเสื่อมคุณภาพลงโดยลําดับอย่างหลีกไม่พ้นที่ผลนั้นสืบเนื่องมาจากการกระทําดังกล่าวการกล่าวทางนี้ไม่ได้คิดตมหิท่านสาธุชนทั่ ว, วไป และไม่ได้คิดตำหนิท่านผู้เข้าหาพระโดยชอบธรรมเป็นเพียงเรียนพเดียงเพื่อทราบวิธีปฏิบัติต่อกันระหว่างพระกับประชาชนซึ่งแยกกันไม่ออกแต่ไหนเทไรมาจะได้ปฏิบัติต่อกันโดยสะดวกราบรื่นสมกับต่างฝ่ายต่างหวังดีและพึ่งเป็นพึ่งตายกันตลอดมาและต่างฝ่ายต่างหวังเชิดชูพระาศาสนาด้วยกันสิ่งที่ชาวพุทธเราควรทราบอย่างยิ่ง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 ก้าวเข้าไปในสถานที่อันสูงศัก์ที่ได้รับสถาปนายกย่องมาจากพระพธเจ้าผู้เป็นศาสดาแห่งโลกทั้งสามเฉพาะวัดป่าต่างๆพระท่านเป็นเหมือนพระลิงพระข้างไม่ค่อยมีโอกาสวาสนาได้เห็นได้ชมบ้านเมืองที่เจริญแล้วด้วยวัตถุและวัฒนธรรมนำสมัยเมื่อเห็นท่านผู้นำยุคแต่งตัวทันสมัยเข้าไปในวัดท่านรู้สึกว่าเสียใจยพิกลคล้ายจะเวียนศรีรษะและเป็นไข้ในเวลานั้น ท้งนี้อาจเป็นความตื่นตกใจที่ไม่เคยพบเห็นเพราะความเป็นป่าก็สนิฐานยากเพราะปกติท่านก็เป็นป่าอยู่แล้วแต่พอมาเจอสิ่งแปลกตาล่าธรรมเข้าจึงแสดงความวิปริจิตแปรปรวนชวนให้สลดสังเวชขึ้นมาโดยมากพระทุลงป่าป่าท่านพูดในทนองเดียวกันซึ่งน่าเห็นใจสงสารแม้จะมีผู้อธิบายเรื่องความเจริญของบ้านเมืองทั้งด้านวัตถุและวัฒนธรรมให้ท่านฟังว่า เป็นสิ่งเจริญทัดเทียมกันหมดเวลานี้ทั้งในและนอกประเทศทั้งในเมืองและบ้านนอกทั้งวัดบ้านและวัดป่าทั้งในที่ธรรมดาและในป่าในเขาแต่ท่านไม่ยอมเชื่อมีแต่ความขยะแขยงและว่ากลัวสลดสังเวชเอาท่าเดียวจนผู้ชี้แจงให้ฟังหมดปัญญาไม่มีทางทําให้ท่านหายตกใจหวาเสียวได้จึงน่าสงสารที่ท่านเป็นป่าเถือนและห่างความเจริญเอาเสียจริงๆริงว่าท่านอาจารย์องค์นี้ อยู่ในป่าในภูเขาเป็นทําเลบําเพญภาวนาดีมากเต็มไปได้วยหินผาป่าไมา้น่าเรื่นรมทราบว่าท่านพยายามหลบปลีกบรรดาสิ่งดังกล่าวมากถ้าจะว่าท่านเป็นป่าเถือนเหมือนพระธุดงคทั้งหลายก็ไม่อาจทำนิได้ลงคอเพราะท่านมีคุณธรรมสูงมากคนทางที่นาทำนิเสร็จแล้วในความรู้สึกของผู้เขียนจึงเพียงสันนิฐานว่าท่านอาจมีนิสัยระวังตัวกลัวภายในป่าติดตัวมาแม้มีคุณธรรมสูงสุดแล้ว ก็ยังละนิสัยนั้นไม่ขาดอาจเป็นตามธรรมที่ท่านแสดงไว้ว่านิสัยดั้งเดิมพระสาวกทั้งหลายละไม่ขาดนอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวทิโซละพระนิสัยพร้อมกับวาสนาได้โดยเด็ดขาดสิ้นเชิงท่านอาจารย์องค์นี้เวลามีคนเข้าไปพลุกพล่านไม่เข้าเรื่องเขร้ามมากๆท่านจะปลีกตัวหนีไปอยู่ตามป่าตามซอกหินบนภูเขาโ น, น้นจนกว่าเรื่องสงบลง ตอนเย็นเย็นหรือค่ำมืดถึงจะกลับลงมาที่พักเมื่อถูกถามว่าทำไมท่านจึงโลภปีกปีกตัวออกไปอยู่ในที่เะนั้นเล่าท่านก็ให้เหตุผลว่าทําเรามีน้อยสู่กําลังของโลกที่เชี่ยวจับไม่ไหวจาต้องโลภปีกไปขืนอยู่ต่อไปทําต้องแตกทลายที่ไหนจะพอประคองตัวได้ก็ควรคิดเพื่อตัวเองแม้ไม่มีวาสนาพอจะเพื่อผู้อื่นได้ดังนี้แต่เท่าที่ทราบมา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 ประชาชนเป็นฝ่ายสังเกตรพระมากกว่าจะสังเกตตัวเองเวลาเข้าไปในสถานที่ควรเคารพนับถือจึงมักสะดุดหูสะดุดตาหน้าคิดสำหรับท่านผู้มีความสังเกตเกี่ยวกับการปล่อยตัวไม่สำรวมที่เคยเป็นนิสัยมาโดยไม่ได้สนใจว่าใครจะสังเกตรหรือมีอะไรกับตนบ้างจึงลำบากเวลาท่านไม่สบายอยู่ในป่าอยู่ในเผา่าท่านไม่ค่อยสนใจกับอยู่ยาอะไรเลยยิ่งไปกว่าการระ ง, งับด้วยธรรมโอสถ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 คือเขาไม่แสดงอาการทุรนทุรายกระสับกระส่ายร้องครางทิ้งเนื้อทิ้งตัวเหมือนพระบางองค์ที่ใหญ่ๆซึ่งไม่น่าจะมีในวงพุทธศาสนาเลยและไม่น่าจะมีจะทำศาสนาให้เพื่อนเปรอะไปด้วยแม้เจ็บมากทุกข์มากเขายังมีสติควบคุมมัน ญ, ญาติให้อยู่ในความพอดีงามตาได้อย่างน่าชมผมเคยเห็นครวดป่วยมาแล้วโดยลูกๆเขามานิมนต์ผมเข้าไปเยี่ยมพ่อเขาเวลาชวนตัวจะไปไม่รอด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 แต่พอเห็นท่านเข้ามากลับเป็นคนใหม่ขึ้นมาจากคนไข้ที่จวนจะตาอยู่แล้วจึงอัศจรรย์ไม่เคยเห็นดังนี้และชาวบ้านพูดกับผมว่าเขาตายไปหลังจากเวลาที่ผมออกมาไม่นานนั ก, กเลยด้วยความมีสติตลอดเวลาสิ้นลมหายใจและไปอย่างสงบประสบสุขโทไม่ผิดพลาดส่วนท่านเองไม่เห็นเป็นไข้หนักถึงขนาดนั้นทําไมนอนใจไม่พิจารณา หรือมันหนักด้วยความอ่อนแอทับถมจิตใจจึงทําให้ร่างกายอ่อนเปียกไปด้วยพระกรรมฐานถ้าขืนเป็นกันลักษณะนี้มากๆศาสนาต้องถูกตําหนิกรรมฐานต้องล่มจมไม่มีใครสามารถส่งไว้ได้เพราะมีแต่คนอ่อนแอกรรมฐานอ่อนแอคอยแต่ขึ้นเคียงให้กิเลสมันสับเอายําเอาสติปัญญาพระตถาจ้าท่านไม่ได้ประทานไว้สําหรับคนขี้เกียจอ่อนแอโดยนอนเฝ้านั่งเฝ้าไข่อยู่เฉย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 สัจธรรมมีทุกขศาสเป็นต้นที่ปลาท่านว่าเป็นธรรมของจริงส่วนนั้นจริงอย่างไรบ้างและจริงอยู่ที่ไหนกันแน่หรือจริงอยู่ที่ความประมาทอ่อนแอดังที่พากันเสริมสร้างอยู่เวลานี้นั่นคือการเสริมสร้างสมุทยัยทับถมจิตใจให้งอหัวงให้ขึ้นต่างหากมิได้เป็นทางมรเครื่องนําให้หลุดพ้นแต่อย่างใดเลยผมที่กล้ายืนยันว่าเคยได้กําลังใจในเวลาป่วยหนักนั้นผมพิจารณาทุกที่เกิดกับตัว จนเห็นสถานที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปของมันอย่างชัดเจนด้วยสติปัญญาจริงๆจิตที่รู้ความจริงของทุกแล้วก็สงบตัวลงไม่แสดงการส่ายแสบแปรสภาพไปเป็นอื่นนอกจากดำรงตนอยู่ในความจริงและเป็นหนึ่งอยู่เพียงดวงเดียวไม่มีอะไรมารบกวนลวนลามเท่านั้นไม่เห็นความแปลกปลอมใดๆเข้ามาเคลือบแฝงได้เลยทุกขเวทนาก็ดับสนิทลงในเวลานั้นแม้ไม่ดับก็ไม่สามารถทับจิตใจเราได้ คงต่างอันต่างจริงอยู่เพียงเท่านั้นนี่แหละที่ว่าสัจธรรมเป็นของจริงส่วนๆจริงอย่างนี้เองท่านคือท่านอยู่ที่จิตดวงมีสติปัญญารอบตัวเพราะการพิจารณาไม่ใช่เพราะอ่อนแอเพราะนั่งทับนอนทับสติปัญญาเครื่องมือที่ทันคันกับการแก้กเิเลสอยู่เฉยๆผมจะเปรียบเทียบให้ท่านฟังหินนั้นปาหัวคนก็แตกทับหัวคนก็าตายได้แต่นามาทาประโยชน์เช่นเป็นหินรับมีด หรืออะไรอะไรก็ได้ตามแต่คนโห่จะนำมาทำลายสังหารตนหรือคนฉลาดจะนำมาทำเป็นหินรับมีดหรืออื่นๆเพื่อประโยชน์แก่ตนตามต้องการสติปัญญาก็เช่นกันจะนำไปใช้ในทางผิดคิดไตรตรองในทางไม่ชอบฉลาดประกอบอาชีพในทางผิดเช่นฉลาดาอุบายฉกลักปล้นจี้เขาเร็วยิ่งกว่าลิงจนตามไม่ทนันก็ย่อมเกิดโทษเพราะนาสติปัญญาไปใช้ในทางที่ผิด จะนำสติปัญญามาใช้เป็นการอาชีพในทางที่ถูกเช่นคิดปลูกบ้านสร้างเรือนเป็นช่างไม้ช่างเขียนช่างแกะลวดลายต่างๆเป็นต้นหรือจะนํามาใช้แก้กิเลสตัณหาตัวเหนียวแน่นแก่นวัตต์ที่พาให้เวียนเกิดเวียนตายอยู่ไม่หยุดจนหมดสิ้นไปจากใจกลายเป็นความบริสุทธิ์ถึงวิมุตติพระนิพพานทั้งเป็นในวันนี้เดือนนี้ปีนี้ชาตินี้ก็ไม่เหลือวิสัยของมนุษย์จะทําได้ดังที่ท่านผู้ฉลาดทําได้กันมาแล้ว แต่ต้นพุทธกาลจนถึงปัจจุบันคือวันนี้ปัญญาย่อมอำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้สนใจใคร่ครวนไม่มีทางสิ้นสุดเพราะสติกับปัญญาไม่เคยจนตรอกหลอกตัวเองแต่ไหนแต่ไรมาพอจะทำให้กลัวว่าตนจะมีสติปัญญามากเกินไปจะกลายเป็นคนดีซ่านผลารรมประคองตัวไปไม่รอดและจอดจมในกลางคันสติปัญญานี้ ปราท่านชมว่าเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดอย่างออกหน้าออกตาแต่ดึกดาบรรมาไม่เคยลาสมัยท่านจึงควรคิดคน้นสติปัญญาขึ้นมาเป็นเครื่องป้องกันและทำลายข้าศึกอยู่ภายในให้สิ้นซากไปจะเห็นใจดวงประเสริฐว่ามีอยู่กับตัวแต่ไหนแต่ไรมาการสอนท่านด้วยทำเหล่านี้ล้วนเป็นธรรมที่ผมเคยพิจารณาและได้ผลมาแล้วไม่ได้สอนแบบซุ่มเดาเกาหาที่ขันไม่ถูก แต่สอนตามที่รู้ที่เห็นที่เคยเป็นมาไม่สงสัยใครที่อยากพ้นทุกข์แต่กลัวทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตนไม่ยอมพิจารณาผู้นั้นมันมีวันพ้นทุกข์ไปได้เพราะทางไปนิพพานต้องอาศัยทุกกับสมุทัยเป็นที่เหยียบย่างไปด้วยมักเครื่องดําเนินพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันทุกทุกพระองค์ท่านสําเร็จมรรคผลนิพพานด้วยสัจธรรมสีกันทั้งนั้นไม่ยกเว้นแม้องค์เดียวว่าไม่ได้ผ่านสัจธรรมสีโดยสมบูรณ์ก็เวลานี้ มีสัจจะใดบ้างที่กําลังประกาศความจริงของตนอยู่ในกายในใจท่านอย่างเปิดเผยท่านจงพิจารณาสัจจะนั้นด้วยสติปัญญาให้รู้แจ้งตามความจริงของสัจจะนั้นๆอย่านั่งเฝ้า น, อ น, านอนเฝ้ากัอยู่เฉยเฉจะกลายเป็นโมฆะบุรุษในวงสัจจธรรมซึ่งเคยเป็นของจริงมาดั้งเดิมถ้าพระธุดงกรรมฐานเราไม่สามารถอาจรู้ความจริงที่ประกาศอยู่กับตนอย่างเปิดเผยได้ก็ไม่มีใครจะสามารถอาจรู้ได้เพราะวงพระกรรมฐาน เป็นวงที่ใครคิดสนิทกับสัจธรรมอยู่มากกว่าวงอื่นๆที่ควรจะรู้เห็นได้ก่อนใครหมดวงนอกจากนี้แม้จะมีสัจธรรมประจากายประจำใจด้วยกันก็จริงแต่ยังห่างเหินต่อการพิจารณาอันเป็นทางรู้แจ้งผิดกันเนื่องจากเพศและโอกาสที่จะอานวยต่างกันเฉพาะพระทุตดงกรรมฐานซึ่งพร้อมทุกอย่างแล้วในการดาเนินและเดินก้าวเข้าสู่ความจริงที่ประกาศอยู่กับตัวทุกเวลา ถ้าท่านเป็นเลือดนักรกสมน้ำที่ศาสดาทรงขนานให้ว่าสากยบุตรพุทธชิโนโรจริงๆแล้วท่านจงพยายามพิจารณาให้รู้แจ้งสัจจะคือทุกขเวทนาที่กําลังประกาศตัวอยู่อย่างจงแจ้งเปิดเผยในกายในใจท่านเวลานี้อย่าให้ทุกขเวทนาและการเวลาผ่านไปเปล่าขอให้ยึดความจริงจากทุกขเวทนาขึ้นสู่สติปัญญาและตีตราประกาศฝังใจลงอย่างแน่นนาะแต่บัดนี้เป็นต้นไปว่าความจริง4อย่าง ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ตลอดมานั้นบัตรนี้ทุกขศาสตร์ได้แจ้งประจักษ์กับสติปัญญาเราแล้วไม่มีทางสงสัยนอกจากจะพยายามเจริญให้ความจริงนั้นจเจริญยิ่งขึ้นโดยลำดับจนหายสงสัยโดยสิ้นเชิงเท่านั้นถ้าท่านพยายามดังที่ผมสั่งสอนนี้แม้ไข่ในกายท่านจะกำเริบรุนแรงเพียงไรท่านเองจะเป็นเหมือนคนไม่ได้เป็นอะไร คือใจท่านไม่ได้ไว้วันสั่นสะเทือนไปตามอาการแห่งความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในการนั่นเลยมีแต่ความภาคภาคูมิใจที่สัมผัสสัมพันธ์กับความที่ได้รู้เห็นแล้วโดยสมอเสมอไม่แสดงอาการรุ่มรุมโดนดอ น, ดอนเพราะไข้กำเริบหรือไข้สงบตัวลงแต่อย่างใดนี่แหละคือการเรียนทำเพื่อความจริงปรากท่านเรียนกันอย่างนี้ท่านไม่ได้ไปปรุงแต่งเวทนาต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการเช่นอยากให้เป็นอย่างนั้น อยากให้เป็นอย่างนี้ตามชอบใจซึ่งเป็นการสั่งสมสมุทัยให้กำเริบรุนแรงยิ่งขึ้นแทนที่จะเป็นไปตามใจชอบท่านจงจำไว้ให้ถึงใจพิจารณาให้ถึงอัดถึงทมคือความจริงที่มีอยู่กับท่านเองซึ่งเป็นฐานะที่ควรรู้ได้ด้วยตนเองแต่ละรายละลายผมเป็นเพียงผู้แนะายให้เท่านั้นส่วนความเก่งกาจอาถานหรือความล้มเหลวใดๆนั้นขึ้นอยู่กับผู้พิจารณาโดยเฉพาะ ผู้อื่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเอานาท่านจงทำให้สมหน้าสมตาที่เป็นลูกศิษย์มีครูสั่งสอนอย่านอนเป็นที่เช็ดเท้าให้กิเลสขึ้นย่ำยีตีแผลได้จะแย่และเดือดร้อนในภายหลังจะว่าผมไม่บอกท่านเราว่าพอท่านเทศให้เราแบบพยุบบุแคมอยู่พักใหญ่แล้วก็หนีไปเราเองรู้สึกตัวจะลอยเพราะความปิติยินดีและตื่นตันในโอวาที่ฉลาดแหลมคมและออกมาจากความเมตตาท่านล้วน ไม่มีอะไรจะมีคุณค่าเสมอเหมือนได้ในเวลานั้นพอท่านไปแล้วเท่านั้นเราเองก็น้อมอุบาที่ท่านเมตตาสั่งสอนเข้าพิจารณาแก้ทุกขเวทนาที่กําลังแสดงตัวอยู่เต็มความสามารถโดยไม่มีความย่อท้ออ่อนแอแต่อย่างใดเลยขณะพิจารณาทุกขเวทนาหลังจากท่านไปแล้วเรากับท่านนั่งคอยดูและคอยให้อุบาช่วยเราอยู่ตลอดเวลายิ่งทําให้มีกําลังใจที่จะต่อสู้กับทุกข์มากขึ้น ขณะพิจารณานั้นได้พยายามแยกทุกข์ออกเป็นขันขันคือแยกกายและอาการต่างๆของกายออกเป็นขันหนึ่งแยกสัญญาที่คอยมั่นหมายหลอกลวงเราออกเป็นขันหนึ่งแยกสังขารคือความคิดปรุงต่างๆออกเป็นขันหนึ่งและแย ก, กจิตออกเป็นพิเศษส่วนหนึ่งแล้วพิจารณาทียบเคียงหาเหตุผลต้นปลายของตัวทุกข์ที่กําลังแสดงอยู่ในกายอย่างชนมุนวุ่นวายโดยไม่ได้มีกําหนดว่าทุกข์จะดับเราจะหายหรือทุกข จากกําเริบเราจะตายแต่สิ่งที่หมายมั่นปั้นมือจะให้รู้ตางตามมุ่งหมายเวลานั้นคือความจริงของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเฉพาะที่อยากรู้มากในเวลานั้นคือทุกสัตว์ว่าเป็นอะไรกันแน่ทําไมจึงมีอํานาจมากสามารถทําจิตใจของสัตว์โลกให้สะเทือนหวั่นไหวได้ทุกตัวสัตว์ไม่ยกเว้นว่าเป็นใครเอาเลยทั้งเวลาทุกแสดงขึ้นธรรมดาเพราะความกระทบกระเทือนจากเหตุต่างๆทั้งแสดงขึ้น ในวาระสุดท้ายตอนจะโยกย้ายพพภูมิไปสู่โลกใหม่ภูมใหม่สัตว์ทุกท่นนานน่ะรู้สึกวันเกรงกันนักหนาไม่มีรายใดายหานสู้หน้ากล้ า, ผาเผชิญนอกจากทนอยู่ด้วยความหมดหนทางเท่านั้นถ้าสามารถโลบหีกได้ก็น่าจะหลบไปอยู่คนละมุมโลกเพราะความกลัวทุกตัวเดียวนี้เท่านั้นเราเองก็นับเข้าในจํานวนสัตว์โลกผู้ขี้คลาดวาดกลัวทุกจะปฏิบัติตัวอย่างไรกับทุกขที่กําลังแสดงอยู่นี้ จึงจะเป็นผู้องอาจกล้าหารด้วยความจริงเป็นพยานเอาละเราต้องสู้กับทุกข์ด้วยสติปัญญาตามทางาศาสดาและครูอาจารย์สั่งสอนไว้เมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์มั่นท่านก็ไดเมตตาสั่งสอนอย่างถึงใจไม่มีทางสงสัยท่านสอนว่าให้สู้ด้วยสติปัญญาโดยแยกแยะขันนั้นๆออกดูอย่างชัดเจนก็เวลานี้ทุกขเวทนาเป็นขันอะไรเป็นรูปเป็นสัญญาเป็นสังขาร เป็นวิญญาณและเป็นจิตได้ไหมถ้าเป็นไม่ได้ทําไมเราจึงเหมาเอาทุกเวทนาว่าเป็นเราเป็นเราทุกเราจริงๆคือทุกขเวทนานี้หรือหรืออะไรกันแน่ต้องให้ทราบความจริงกันในวันนี้ถ้าเวทนาไม่ดับและเราไม่รู้แจ้งทุกขเวทนาด้วยสติปัญญาอย่างจริงใจแม้จะตายไปกับที่นั่งภาวนานี้เราก็ยอมแต่จะไม่ยอมลุกจากที่ให้ทุกขเวทนาหัวเราเยอะหยันเป็นอันขาด นับแต่ขณะนั้นสติปัญญาทำการแยกแยะหํำหันกันอย่างเอาเป็นเอาตายข้าว่าระหว่างสงครามของจิตกับทุกขเวทนาต่อสู้กันอยู่เวลานั้นกินเวลาห้าชั่วโมงจึงได้รู้ความจริงจากขันแต่ละขันได้เฉพาะอย่างยิ่งรู้เวทนาขันอย่างชัดเจนด้วยปัญญาทุกขเวทนาดับลงในทันทีที่พิจารณารอบตัวเต็มที่ท่านว่าท่านได้เริ่มเชื่อสัจธรรมมีทุกขสต ร, ร์เป็นต้น ว่าเป็นของจริงแต่บัดนั้นมาอย่างไม่หวั่นไหวแต่นั้นมาเวลาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆขึ้นมาใจมีทางต่อสู้กันเพื่อชนะทางสติปัญญาไม่อ่อนแอปวกเปียกใจมักได้กําลังในเวลาเจ็บป่วยเพราะเป็นเวลาเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายกันจริงๆทำที่เคยถือเป็นของเล่นโดยไม่รู้สึกตัวมาประจำนิสัยปุุชนในเวลาธรรมดาไม่จนตรอกก็แสดงความจริงให้เห็นชัดในเวลานั้น ขณะพิจารณาทุกขเวทนารอบแล้วทุกดับไปใจก็รวมลงถึงฐานของสมาธิหมดปัญหาต่างๆทางกายทางใจไปพักหนึ่งจนกว่าจิตถอนขึ้นมาซึ่งกินเวลาหลายชั่วโมงมีอะไรค่อยพิจารณากันต่อไปอีกด้วยความอาจฐานต่อความจริงที่เคยเห็นมาแล้วท่านว่าเมื่อจิตรวมลงถึงฐานสมาธิพราะอานาจการพิจารณาแล้วไข่ได้หายไปแต่บัดนั้นไม่กลับมาเป็นอีกเลย จึงเป็นที่น่าประหลาดใจว่าเป็นไปได้อย่างไรข้อนี้สําหรับผู้เขียนเชื่อทั้งร้อยไม่ขัดขันเพราะเคยพิจารณาแบบเดียวกันนี้มาบ้างแล้วผลก็เป็นแบบเดียวกับที่ท่านพูดให้ฟังไม่มีผิดกันเลยจึงทําให้สนิทใจตลอดมาว่าธรรมโอสถสามารถรักษาโรคได้อย่างลึกหลับและประจักษ์กับท่านผู้ปฏิบัติที่มีนิสัยในทางนี้โดยมากพระทุนงค์กรรมฐานท่านชอบพิจารณาเยียวยาธาตุขันธ์ของท่าน เวลาเกิดโรคภัยไข้เจ็บอย่าง เ, เงียบโดยลําพังไม่ค่อยระบายให้ใครฟังง่ายๆนอกจากวงปฏิบัติด้วยกันและมีนิสัยคล้ายคลึงกันท่านจึงสนทนากันอย่างสนิทใจที่ว่าท่านบำบัดโรคด้วยวิธีภาวนานั้นไม่ได้หมายความว่าบำบัดได้ทุกชนิดไปแม้ท่านเองก็ไม่แน่ใจว่าโรคชนิดใดบำบัดได้และโรคชนิดใดบำบัดไม่ได้ แต่ท่านไม่ประมาทในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวท่านถึงร่างกายจะตายไปเพราะโรคในกายแต่โรคในจิตคือกิเลสอาสวะต่างๆก็ต้องให้ตายไปด้วยอํานาจธรรมโอสถท่านบ้างเหมือนกันฉะนั้นการพิจารณาโรคต่างๆทั้งโรคในกายและโรคในใจท่านจึงไม่ได้ลดละทั้งสองทางโดยถือว่าเป็นกิจจําเป็นระหว่างขันกับกจิตจําต้องพิจารณาและรับผิดชอบกันจนวารสุดท้ายพระอาจารย์องค์นี้ ท่านชอบรักษาไข้ด้วยธรรมโอสตลอดมาครั้งหนึ่งท่านพักอยู่ภูเขาแถบจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นที่ชุกชมด้วยไข้มาลาเรียหลังจากฉันเสร็จวันนั้นก็เริ่มไข้จับสันขึ้นในทันทีทันใดผ้าห่มกี่ผืนก็มีแต่หนักตัวเปล่าๆหาความอุ่นไม่มีเลยท่านจึงสั่งให้งดการบำบัดหนาวทางภายนอกจะบำบัดทางภายในด้วยธรรมดังที่เคยได้ผลมาแล้วและสั่งให้พระรีจาท่านไปให้หมด และให้รอจนกว่ามองเห็นบานประตุ ก, กระท้อปุดีเล็กๆเปิดเมื่อไร่อ่มาหาท่านเมื่อพระไปกันหมดแล้วท่านก็เริ่มภาวนาพิจารณาทุกขเวทนาดังที่เคยพิจารณามาทราบว่าเริ่มแต่9้านาฬิกาคือสาโมงเช้าจนถึงบ่ายสามโมงจึงลงกันได้ไข้ก็สางและหายไปแต่บัด น, นั้นจิตก็รวมลงถึงฐานและพักอยู่ราวสองชั่วโมงเศษ จนร่วม6โมงเย็นจึงออกจากที่สมาธิภาวนาด้วยความเบากายเบาใจาไม่มีอะไรมารบกวนอีกเลยไข้ก็หายขาดจิตก็ปราดเปรืองเลือเรื่องในองค์ท่านและอยู่ด้วยวิหารธรรมเรื่อยมาจนปัจจุบันท่านเป็นพระที่ฐ า, านเฉียบขาดทางความเพียรมากยากจะหาผู้เสมอได้องค์หนึ่งแม้อายุจะก้าวเข้าวัยชราภาพแล้วแต่การทาความเพียรอย่างเก่งกล้าสามารถเสมอมามิได้ลดละเดินจงกรมแต่ละครั้ง ตั้งห6ชั่วโมงจึงหยุดพักแม้แต่พระหนุ่มยังสู้ท่านไม่ได้นี่แหละความเพียรของปราดท่านต่างกับพวกเราอยู่มากซึ่งคอยแต่จะคว้าหาหมอนเอาท่าเดียวประหนึ่งหมอนเป็นสิ่งประเสริฐเลิศความมรรคผลนิพพานเป็นไหนๆคิดดูแล้วน่าอับอายตัวเองที่เก่งในทางไม่เป็นสาระที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาท่านนึกถึงอะไรสิ่งนั้นมักจะมาตามความรำพึงนึกคิดท่านเสมอเช่นนึกถึงช้างว่า หายหนาไปไหนเป็นปีๆแล้วไม่เห็นผ่านมาทางนี้บ้างเลยหรือถูกในพรานยิงตายเสียแล้วพอตกกลางคืนดึกๆช้างตัวนั้นก็มาหาจริงๆและเดินตรงเข้ามายังกุดีที่ทันพักอยู่มันยืนลูปครามสิ่งต่างๆในบริเวณกุดีท่านพอให้ทราบว่าเขามาหาแล้วก็กลับเข้าป่าเข้าเขาและหายเงียบไปเลยไม่กลับมาอีกเวลาลำพึงนึกถึงเสือก็เหมือนกันว่าเสือที่เคยเดินผ่านมาที่นี่บ่อยๆ บันนี้หายหน้าไปไหนนานแล้วไม่เห็นมาอีกหรือถูกเขาฆ่ากันตายหมดแล้วเพียงนึกถึงเสือตอนกลางวันแต่พอตกตอนกลางคืนเสือก็มาเที่ยวเป็นผ่านภายในวัดและบริเวณที่ท่านพักอยู่จริงๆพอเป็นนิมิตให้ท่านทราบว่าเขายังอยู่ยังไม่ตายดังที่วิตกถึงแล้วก็หนีไปไม่มาซ้ำๆซากๆอีกเลยท่านเล่าว่าตอนนึกถึงซาตั์ตางรู้สึกแปลกอยู่มากผิด ธ, ธรรมดา พอนึกถึงทีไรถึงสัตว์ชนิดไรสัตว์ชนิดนั้นมักจะมาหาท่านแทบทุกครั้งที่นึกถึงเขาคล้ายกับมีอะไรไปบอกเขาวให้สัตว์นั้นทราบและให้มาหาท่านพระวิเศษทางภายในอย่างท่านคงมีเทพาอารักคอยให้อาราักษาและคอยอำนวยความสะดวกตามความคิดเห็นต่างๆอยู่เสมอพอคิดอะไรขึ้นมาจึงมักมีเครื่องสนองตอบทางความคิดเสมอมาถ้าไม่มีทําไมจะมีอะไรมาหาท่านตามความคิดเสียทุกครั้งเช่นนั้น อย่างเร า, เราท่านท่านคิดคนละกี่พันเรื่องละกี่ร้อยกี่พันหนก็ไม่เห็นมีอะไรมาตอบสนองความนะคิดความต้องการบ้างเลยเพอให้ทราบว่าเราก็มีอะไรดีๆพอตัวผู้หนึ่งที่ควรได้รับความเทิดทูนอย่างท่านนอกจากคิดลมๆแรงๆไปพอให้กวนใจได้รับความลำบากทรมานเปล่าๆเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรพอเป็นชิ้นดีแฝงมาบ้างเลยจึงน่าอับอายความคิดของตัวที่ขนแต่กองทุกข์มาให้วันละกี่ร้อยกี่พันเรื่อง จนสมองถื่อหมดกำลังที่จะทำงานต่อไปพระอาจารย์องค์นี้ท่านมีลูกศิษย์มากมายทั้งพระเนนและคารวะจากภาคต่างๆของเมืองไทยมาศึกษาอบรมศีลธรรมกับท่านเสมอมิได้ขาดแต่ทุกวันนี้ท่านพยายามรักษาความสงบเฉพาะองค์ท่านมากกว่าปกติที่เคยเป็นมาเพื่อวิบากขันจะได้สืบต่อกันไปเท่าที่ควรและเพื่อทาประโยชน์แก่โลกที่ควรได้รับซึ่งมีอยู่มากมายปกติหลังจากฉันเสร็จแล้ว ท่านเริ่มเข้าทางจงกรมทําความเพียรราวหนึ่งถึงสชั่วโมงแล้วออกจากทางจงกรมเข้าห้องพักและทําภาวนาต่อไปจนถึงบ่าย2องโมงถ้าไม่มีธุระอื่นๆก็เข้าทางจงกรมทําความเพียรต่อไปจนถึงเวลาปัดกวาดลานวัดทันถึงจะออกมาจากที่ทําความเพียรหลังจากสงนามเสร็จก็เข้าทางจงกรมและเดินจงกรมทำความเพียรต่อไปถึง4หรือห้าทุ่มจึงหยุดแล้วข้อที่สวดมนต์ภาวนาต่อไป จนถึงเวลาจำวัดแล้วพักผ่อนร่างกายราสามนาฬิกาคือเก้าทุ่มเป็นเวลาตื่นจากจำวัดและทำความเพียรต่อไปจนถึงเวลาโคจรบินทบาทจึงออกบินทบาทมาฉันเพื่อบำบัดกายตามวิบาก ท, ที่ยังครองอยู่นี่เป็นกิจวัตรประจำวันที่ท่านจำต้องทำไม่ให้ขาดได้นอกจากมีธุระจำเป็นอย่างอื่นเช่นถูกนิมนต์ภาในที่ต่างๆก็มีขาดไปบ้างท่านผู้มีคุณธรรมสูงขนาดนี้แล้ว ท่านไม่หวังความสุขรื่นเริงจากอะไรยิ่งกว่าความสุขรื่นเริงในธรรมภายในใจโดยเฉพาะท่านมีความเป็นอยู่อันสมบูรณ์ด้วยธรรมภายในอยู่ในท่าอิริยาบทใดใจก็มีความสุขเสมอตัวมันจเจริญขึ้นและเสื่อมลงอันเป็นลักษณะของโลกที่มีความจเจริญกับความเสื่อมเป็นของคู่กันทั้งนี้เพราะท่านมีใจดวงเดียวที่บริสุทธิ์สุดส่วนมีธรรมแท่งเดียวเป็นเอกีภาพไม่มีสองกับอะไรพอจะเป็นคู่แข่งดีแข่งเด่นจึงเป็นความสงบสุขที่หาอะไรเปรียบไม่ได้ จิต ท, ที่มีความบริสุทธิ์เต็มภูมิเป็นจิต ท, ที่มีความสงบสุขอย่างพอตัวไม่ต้องการอะไรมาเพิ่มเติมส่งเสริมให้เป็นความกระเพื่มกังวลเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์แก่จิตดวงนั้นเลยแม้แต่น้อยท่านที่ครองจิตดวงนี้จึงชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบความเกลื่อนกลนวุ่นวายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องรบกวนความสงบสุขในหลักธรรมชาติที่เป็นอยู่อย่างพอตัวให้กระเพื่มรับทราบทางทะวันต่างๆท่านจึงชอบหลีกเล้นยอยู่ตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นการเหมาะกับจริตนิสัยที่สุดแต่ผู้ไม่เข้าใจตามความจริงของท่านก็มาคิดไปต่างๆว่าท่านไม่ตอนรับแขกบ้างท่านรังเกยียจผู้คนบ้างท่านโลภลีกเอาตัวรอดแต่ผู้เดียวไม่สนใจอบรมสั่งสอนประชาชนบ้างความจริงก็เป็นดังที่เรียนมานั่นเองการอบรมสั่งสอนคนจะหาใครที่อบรมด้วยความบริสุทธิ์ใจและเต็มไปด้วยความเมตตาไม่สนใจกับอามิต h หรือสิ่งตอบแทน ใ, นใดๆเหมือนท่านรู้สึกจะหายากมากเพราะการอบรมสั่งสอนคนทุกชั้นทุกเพศทุกวัยท่านสอนด้วยความรู้จริงเห็นจริงจริงๆและมุ่งประโยชน์แก่ผู้รับด้วยความเมตตาหาที่ตำห น, นิไม่ได้นอกจากที่ไปรบกวนท่านแบบนอกลู่นอกทางดังที่เขียนผ่านมาแล้วเท่านั้นจึงไม่อาจต้อนรับและสั่งสอนได้ทุกรายไปพระสุดวิสัยของพระจะทําไปนอกลู่นอกทางตามคําขอร้องเสียทุกอย่าง ของผู้ไม่มีขอบเขตความพอดีท่านเองก็พลอยได้รับความละบากและเสียหายไปด้วยที่น่าสงสารการจำพรรษาบางปีท่านจําที่ภูเขาองเดียวโดยอาศัยชาวไร่เพียงสองสามครอบครัวเป็นที่โคจ ร, รบินทบาทท่านว่าเป็นความผาสุกเย็นใจอย่างยิ่งในชีวิตของนักบวชเพื่อปฏิบัติธรรมวันคืนหนึ่งๆเต็มไปด้วยความเพียรไม่มีภารกิจการใดๆเป็นเครื่องขังวล เวลาเป็นของตัวความเพียรเป็นของตัวทุกๆอิริยาบถจิตใจกับธรรมเป็นของตัวในอิริยาบถ ท, ทั้งปวงไม่มีอะไรมาแบ่งสรรปันส่วนเพื่อให้เบาบางลงประจักษ์ปกติเดิมวันคืนเดือนปีของนักบวชผู้มีราตรีเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากจนหาอะไรเทียบนี้ได้ท่านว่าตอนท่านจำราษาองค์เดียวที่ภูเขาแห่งหนึ่งเขตจังหวัดสกลนครกับกาลสินต่อกันซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้าน ราว 3-400 เส้นที่นั่นมีสัตว์ป่าชุกชุมมากเช่นเสือช้างกระทิงวัวแดงอีเก่งหมูกวางต่างๆเวลากลางคืนจะได้ยินเสียงสัตว์เหล่านี้ร้องกังวานป่าและเที่ยวหากินมาใกล้ๆบริเวณที่ท่านพักอยู่แทบทุกคืนบางครั้งแทบมองเห็นตัวมันเพราะมาใกล้ๆที่อยู่ท่านเองรู้สึกเพลิดเพลินไปกับสัตว์เหล่านี้ด้วยความเมตตาสงสารเขา ท่านเข้าไปจำพรรษาอยู่องค์เดียวในภูเขาลูกนี้แต่จำไม่แน่ว่าเป็นพสเท่าไรจำได้แต่เพียงว่าท่านจำพรรษาที่นั่นหลังจากท่านอาจารย์มั่นมรณภาพแล้วไม่นานนะักท่านวาในภาษานั้นเวลาทำสมาธิภาวนาปรากฏว่าท่านอาจารย์มั่นมาเยี่ยมและแสดงสัมโมทนิยธรรมให้ฟังเสมอตลอดพรรษาการทำข้อวัดในบริเวณถ้ำที่พักจำพรรษาตลอดการจัดบริหารต่างๆไม่ถูกต้องประการใดท่านได้ตักเตือนอยู่เสมอ ปัญษานั้นจึงเป็นเหมือนอยู่กับองค์ท่านอาจารย์มั่นตลอดเวลาท่านมาแสดงประเพณีของพระธุดงค์ภูมิคุ้มต่นความหลุดพ้นให้ฟังว่าธุดงค์ขวัตต่างๆควรรักษาให้ถูกต้องตามที่พระพุทธองค์ประทานไว้อย่าให้เคลื่อนคลาดและยกธุดงค์ขวัตสมัยที่ท่านพาโมณะปฏิบัติเวลามีชีวิตอยู่ขึ้นแสดงซ้ําอีกเพื่อความแน่ใจว่าที่ผมพาโมณะดําเนินตลอดวันสิ้นอายุ ข, ของผมก็เป็นธุดงค์ขวัตที่แน่ใจอยู่แล้วไม่มีสงสัย จึงควรเป็นที่ลงใจและปฏิบัติตามด้วยความเอาใจใส่และอย่าพึงเข้าใจว่าศาสนาเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าและเป็นสมบัติของพระสาวกองค์หนึ่งองค์ใดแต่เป็นสมบัติของผู้รักใคร่สนใจปฏิบัติทุกๆคนที่มุ่งประโยชน์จากศาสนาพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านไม่ทรงมีส่วนอะไรกับศาสนาที่ประทานไว้สําหรับโลกเลยอย่าไปเข้าใจว่าพระองค์และสาวกทั้งหลายจะพร้อยมีส่วนดีและมัวหมองไปด้วย จะปฏิบัติผิดหรือถูกประการใดก็เป็นเรื่องของเราเป็นรายไปไม่ได้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านมาปฏิบัติอยู่ที่นี่ก็เป็นความมุ่งหมายของท่านโดยเฉพาะการปฏิบัติผิดหรือถูกจึงเป็นเรื่องของท่านเองโดยเฉพาะเช่นกันฉะนั้นจงทําความระมัดระวังการปฏิบัติเพื่อความอยู่สบายในทิฏฐธรรมท่านเองก็กําลังจะเป็นอาจารย์ของคนจํานวนมากจึงควรทํากรุยหมายที่ถูกต้องดีงามไว้ เพื่อเป็นสฤิมงคลแก่กุ่มบุตรสุดท้ายภายหลังผู้ดำเนินตามจะไม่ผิดหวังความเป็นอาจารย์คนนั้นสําคัญมากจึงควรพิจารณาด้วยดีอาจารย์ผิดเพียงคนเดียวอาจาพาให้คน อ, าาอื่นๆผิดไปด้วยเป็นจํานวนมากมายอาจารย์ทําถูกเพียงคนเดียวก็สามารถนําผู้อื่นให้ถูกด้วยไม่มีประมาณเช่นเดียวกันท่านควรพิจารณาเกี่ยวกับความเป็นอาจารย์หมู่มากให้รอบคอบเพื่อ ค, คนอื่นจะมีทางเดินโดยสะดวกราบรื่นไม่ผิดพลาด เพราะความยึดเราเป็นอาจารย์สั่งสอนคำว่าอาจารย์ก็คือผู้ฝึกสอนหรืออบรมกิริยาความเคลื่อนไหวที่แสดงออกแต่ละอาการควรให้ผู้อาศัยยึดเป็นหลักดำเนินได้ไม่เป็นกิริยาที่แสดงออกจากความผิดพลาดเพราะขาดการพิจารณาไตรตรองก่อนแสดงออกมาพระพุทธเจ้าที่ว่าทรงเป็นศาสดาสอนโลกนั้นไม่ได้เป็นศาสดาเพียงเวลาแสดงคำให้พุทธบริษัทฟังเท่านั้น แต่ทรงเป็นศาสดาอยู่ทุกเอริยาบททรงศีหาสายญาติคือนอนตะแคงข้างขวาก็ดีประทับนั่งก็ดีประทับยืนก็ดีสเสด็จไปนในที่ต่างๆแม้ที่สุดสเสด็จภายในวัดก็ดีล้วนเป็นศาสดาประจําพระอาการอยู่ทุกๆอิริยาบทพระองค์ไม่ทรงทําให้ผิดพลาดจากความเป็นศาสดาเลยผู้มีสติปัญญาชอบมินิจฉัยไตรตรองอยู่แล้วย่อมยึดเป็นสติตัวอย่าง เครื่องพร่ำสอนตนได้ทุกๆพระอาการที่ทรงเคลื่อนไหวอย่าเข้าใจว่าพระองค์จะทรงปล่อยปละมัญญาติเหมือนโลกทั้งหลายที่ชอดทํากิริยาต่างๆจากคนคนเดียวในสถานที่ต่างๆอยู่ที่หนึ่งประพฤติตัวอย่างหนึ่งไปอยู่ที่หนึ่งประพฤติตัวอีกอย่างหนึ่งไปอยู่ในที่อีกแห่งหนึ่งแสดงกิริยาอาการอย่างหนึ่งเป็นลักษณะเปรตผีทั้งเป็นคนดีทั้งเป็นคนชั่วทั่วทุกทิศไม่มีประมาณให้พอยึดเป็นหลักได้ทั้งตัวเองและผู้อื่น ส่วนพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างโลกดังกล่าวมาแต่ทรงเป็นศาสดาอยู่ทุกพระอิริยาบถตลอดวันนิพพานแต่ละพระอาการที่แสดงออกทรงมีศาสดาประจำไม่ได้บกพร่องเลยใครจะยึดเป็นสาระนะคือหลักพึ่งพิงเพื่อดำเนินตามเมื่อไรก็ได้เหมือนั้นโดยไม่เรียกว่าเป็นพระอิริยาบถหรือพระอาการใดจึงสมพระนาว่าเป็นศาสดาของโลกทั้งสแม้ขณะจะเสด็จนิพพานก็ทรงศีหาสายญาณนิพพาน ไม่ได้นอนทิ้งเนื้อทิ้งตัวกลัวความตายไร้มนบนเพิ่ไปต่างๆดังที่โลกเป็นกันมาประจำแผ่นดินแต่ทรงศีลหะสญญายาณนิพพานส่วนพระไถ่ก็ทรงทำหน้าที่นิพพานอย่างองค์อาจกล้าหาญเรากับจะทรงพระชนอยู่กับโลกต่า ง, างกับตั้งกันความจริงคือทรงประกาศความเป็นศาสดาในวาระสุดท้ายด้วยการเข้าฌานและนิโรธสมาบัติทรงถอยเข้าถอยออกจนควรแก่การแล้วจึงเสด็จปรินิพพานไปแบบศาสดาโดยสมบูรณ์ ไม่ส่งเยื่อใยกับสิ่งใดๆ ใ, ในสภพนั่นแลศาสดาของโลกทั้งสามท่านทรงทําตัวอย่างเป็นแบบฉบับของโลกตลอดมาแต่ขณะตรัสรู้จนวันเสด็จปรินิพานไม่ส่งลดละพระอาการ ใ, ใดๆจากว่าเป็นศาสดาให้เป็นกิริยาอย่างคนสามัญธรรมดาทํากันส่งปฏิบัติหน้าที่โดยสมบูรณ์จนวาระสุดท้ายจึงควรน้อมนําตัวอย่างของศาสดามาปฏิบัติดําเนินแม้ไม่สมบูรณ์ตามแบบศาสดาทุกๆ ก, กระเบียด แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของลูกศิษย์ที่มีครูสั่งสอนบ้างไม่เกวงกวางเหมือนเรือที่ลอยลำอยู่กลางทะเลซึ่งมีพายุจัดไม่ได้ทอดสมอการปฏิบัติของนักบวชที่ไม่มีหลักยึดอย่างถูกต้องตายตัวนั้นย่อมไม่มีจุดหมายว่าจะถึงฟังแห่งความปลอดภัยหรือจะเป็นอันตรายด้วยภัยต่างๆไม่มีอะไรเป็นเครื่องตัดสินได้เช่นเดียวกับเรือไม่มีหางเสือบังคับย่อมไม่สามารถแล่นไปถึงที่หมายได้และยังอาจลอยไปตามกระแสน้ํา และอาจเป็นอันตรายได้อย่างง่ายดายฉะนั้นหลักคำวินยัยมีทุดงขวัตเป็นต้นคือหางเสือของการปฏิบัติเพื่อให้ถึงที่ปลอดภยัยจงยึดให้มั่นคงอย่าโยกคลอนวันไหวผู้คอยดำเนินตามซึ่งมีจำนวนมากที่ยึดราวเป็นเยี่ยงอย่างจะเหลีวไหลไปตากทุดงขวัตคือปฏิบัทอันตรงแน่วไปสู่จุดหมายโดยไม่มีปฏิปทาใดเสมอเหมือนขอแต่ผู้ปฏิบัติ จงใช้สติปัญญาสธาความเพียรพยายามดําเนินตามเถิดทำที่มุ่งหวังย่อมอยู่ในวิสัยของทุดงที่ประทานไว้จะพาให้เข้าถึงอย่างไม่มีปัญหาแล้วกระสักใดๆกีดกวางได้เพราะทุดงขวัตเป็นทางเดียวที่พาให้พ้นทุกข์ไม่เป็นอย่างอื่นจึงไม่ควรทําความเครื่องแคลงสงสัยและทำนี้เป็นที่รวมปฏิปทาเครื่องดําเนินเข้าสู่ความดับทุกข์ทั้งหลายด้วยพระที่มีความรักชอบในทุดงขวัต คือผู้มีความรักชอบและจงรักภักดีต่อพระาศาสดาผู้เป็นบรมครูพระผู้มีทุดงควัดเป็นเครื่องดำเนินคือผู้มีฝั่งมีฝามีาศาสดาเป็นสาร ะ, ะในอิริยาบททั้งปวงอยู่ที่ใดไปที่ใดมีธรรมคอยคุ้มครองรักษาแทนาศาสดาไม่ว้าเวเร่ร่อนคลอนแคลนมีหลักใจเป็นหลักธรรมมีหลักธรรมเป็นดวงใจหายใจเข้าหายใจออกเป็นธรรมและกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบใจ ผู้นี้คือผู้มีราตรีอยู่กับธรรมไม่วันไวเอียงๆสำหรับท่านเองไม่มีอะไรวิโตก็จริงแต่ผู้เกี่ยวข้องเนื่องกับท่านมีมากมายจึงควรเป็นห่วงหมู่คณะและประชาชนที่คอยเดินตามหลังบ้านเขาจะได้มีความอบอุ่นในปฏิปทาที่ยึจดจากท่านไปเป็นเครื่องดำเนินว่าเป็นความถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดพลาดดังนี้ท่านสอนผมท่านเล่าว่าเพียงนอนตื่นผิดเวลาบ้างเล็กน้อยท่านยังบ่นว่า อย่าเชื่อตัวเองยิ่งกว่าทำตัวเองคือวัตตะธาตุขันเป็นผลของวัตตะมาดั้งเดิมควรอนุโลมให้เขาเท่าที่อนุโลมได้อย่าปล่อยตามขันจนเกินไปผิดวิสัยของพระที่เป็นเพศไม่นิ่งนอนใจการหลับนอนของนักปราชญ์ท่านเพียงเพื่อบรรเทาธาตุขันไปชั่วระยะเท่านั้นไม่ได้หวังความสุขความสำราญอะไรจากการระงับความอ่อนเพลียทางธาตุขันนั้นเลยพระนอนตามแบบพระจริงๆต้องระวังตัวเพื่อจะตื่นเหมือนแม่เนื้อนอน ซึ่งมีสติระวังตัวดีกว่าปกติเวลาที่ยวหากินคําว่าจําวัดก็คือความระวังตั้งสติหมายใจจะลุกตามเวลาที่กําหนดไว้ตอนก่อนนอนมิได้นอนแบบขายทอดตลาดดังสินค้าที่หมดราคาแล้วตามแต่ลูกค้าจะให้ในราคาเท่าไรตามความชอบใจของตนพระที่นอนปล่อยตัวตามใจชอบมิใช่พระสากยะบุตรพุทธบริษัทผู้รักษาศาสนาให้จเจริญในตนและผู้อื่นแต่เป็นพระประเภทขายทอดตลาดตามยถากรรม จะตีราคาเอาเองการจำวัดของพระที่มีศีลวัดธรรมวัด ต, ต้องมีกำหนดกฎเกณฑ์บังคับตัวในเวลาก่อนหลับและระวังตัวอยู่ตามวิสัยของพระผู้กำลังจำวัดคือหลับนอนพอรู้สึกตัวต้องรีบลุกขึ้นทันทีไม่สำสากอันเป็นลักษณะคนที่เกียจนอนตื่นสายและตายจมอยู่ในความประมาทไม่มีวันรู้สึกตัวการนอนแบบนี้เป็นลทัทธิของสัตว์ตัวไม่มีความหมายในชีวิตของตัว และเป็นนิสัยของคน <c oughs> เกียดคร้ <c oughs> รานผลาญสมบัติ <c oughs> ไม่มีงอกเงยขึ้นมาได้ไม่ใช่ทางของศาสดาจึงไม่ควรส่งเสริมจะกลายเป็นกาฝากขึ้นมาในวงศาสนาและพระทุตดวงทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องทำลายตัวเองดังกาฝากทำลายต้นไม้ที่มันอาศัยนั่นแหลท่านควรคบคิดคำว่าจำวัดกับคำว่านอนซึ่งเป็นคำทั่วไปเทียบกันดูจะเห็นว่าผิดกันและมีความหมายต่างกันอยู่มากระหว่างคำว่าจำวัดของพระสกยบุตร กับคำว่านอนของคนและสัตว์ทั่วไปดังนั้นความรู้สึกของพระสักยาบุตรที่จะปรงใจจำวัดแต่ละครั้งจึงควรมีความสำคัญติดตัวในขณะนั้นและเวลาอื่นๆจะสมชื่อว่าผู้ประคองสติผู้มีปัญญาคิดอ่านตราตรองในทุกกรณีไม่สักว่าคิดสักว่าพูดสักว่าทำสักว่านอนสักว่าตื่นสักว่าฉันสักว่าอิ่มสักว่ายืนสักว่าเดิน